หกสบอรุบดที่ธนาคารวังกี้ยลดิฉันต้องการเปิดบัญชีย ன น் க ு வ วังกี้ยล ஒ อร க ண க ் க น ஆ ர ம ்อிร் க வ ேบิ ட เวนดุนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน อีดอோดยันคาดว่าชีตและนี่ที่อยู่ของดิฉันมัตทรุม อ, อีโดยันมุกบารีดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน น, น, น้องยินรุ่ยย์เย่เสียมิพุกนักกิลปนัมปอดเวนดุมดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน நான் என்னுடைய ச ே ம ி ப ் ப ு க ค க แ க นขிกก้นเลยรุ่นดิปนัม க ืดขึ้นกวดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี น, อ น, อน้องยินดูดีเยี่ยมสมิปคะแนนปัตติกาเลยว่องีพูเหวินดุมดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง நான் ஒரு ப ய ண க ันอนอกก้าวைซเลยยี க นามากกว่ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ adar ค่ะคะแนนอันเย่บลดวยดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะนนยังก์คเคยรัตตปอด வ ே ண นดு ம มดิฉันกำลัง ร, งรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนนเยிรมันยี் த ล ப ண ம นด த ி ர ் ப น ர ் த ิดร์்อร์்คุณு க ริก ற ี ன ் น, นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน இ ิด எ ன นนุ ட ด ய ย ங วังกี้กค க ுออัยน เงินเข้าหรื อ, อยังคะปานมวันดิเดเซนดิวิตต์ดาดิฉันต้องการแลกเงินเยนักปานมมาอตราเวนด์มดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเยนัก อ, อเมริกาดอลลาร์เวนด์มกรุณาขอแบงค์ย่อยคะ่ะด้ยิวิ่งทนิงกันเยนักจินน่โนตาห์ทารมุยมา ที่นี่มีตู้เอทีเอมไหมคะยังก็ยังต้องเอทีเอ็มอะดสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะวันนี้วันยตั้งไหนปนัมเอ็ดขึ้นมาดกมใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะเย็นเด็กรีดคอร์ดใครอุเบย์โอหิกมาดีกมครุณาไปที่